เมือานจะมาพูดเรื่องอยานแปดในยานที่หนึ่งให้ฟังวันนี้ย้ำให้ฟังอีกรอบนึงในยานแปดยานแรกท่านจะกล่าวถึงอุปสรรคอุปสรรคอุปกิเลสที่เป็นตัวบังเป้าหมายของอยานแรกคือแยกโลกแยกน้ำสัมผัสความเป็นโูคเป็นนามให้ชัดสิ่งที่บังไว้ท่านเรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสคืออะไรก็ได้ที่มันเจือให้ใจเราซึมเจือให้ใจเราหมองลง มองลงไม่สามารถสัมผัสอาการที่เกิดกับกายความรู้สึกนึกคิดความง่วงที่เกิดขึ้นแล้วใจไม่สามารถสัมผัสได้ใจเราจมไปกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอุปกิเลสเรียกว่านิวรนปัญหาของช่วงตน้ตนๆท่านกล่าวไว้ว่าไตรักเนี่ยมันถูกบังด้วย3มอย่างหนึ่งคือสัน ต, ติบงังอนิจจ ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคือสภาวะของความคิดของความปวดของความเมื่อยของสิ่งนี้กำลังเกิดกับเราอยู่ขณะเ น, นี้ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปความไม่เที่ยงนะมันจะดับไปแต่สาเหตุที่มันไม่ดับไปเนียเพราะเราเคลื่อนไหวทำอะไรมากเกินไปแนบกับอารมณ์เหล่านั้นเกินไปใจไปจับไปซึมอยู่กับอารมณ์เกินไปทำทั้งหลายและไม่เกิดและดับเลยไม่เป็นอนิจจ์ ดัง น, นั้นวิธีเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวช้าๆก็ได้เร็วบ้างก็ได้แต่ให้มันขาดให้มันเกิดให้มันดับรู้สึกตัวให้มันชัดสัมผัสให้มันชัดแลวปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งทีละขณะทีละขณะมันจะเห็นความเป็นลูกโซ่ไป็นทีละขณะทีละขณะใจเราจะไม่ล่ายาวเป็นเหล็กเส้นอันนี้มันบงังอย่างที่สองคืออิริยบบาบถบังทุกคณลักษณะ ทุกลักษณะคืออาการปวดอาการเมื่อยทางร่างกายอาการใจที่้าเรียกว่าอาการเบียดเบียนเบียดเบียนจากสภาวะปกติเบียดเบียนจากสภาวะที่ง่ายๆเบียดเบียนจากสภาวะว่างว่าเบาสบายตอนนี้ความเบียดเบียนทางกายที่เกิดจากความปวดความเมื่อยความเบียดเบียนทางใจที่ทาให้ใจผิดปกติไปตามอารมณ์เหล่านั้น และเราก็เผลอเปลี่ยนไปตามแรงเหล่านั้นตามความคุ้นชินเหล่านั้นความเมื่อยเกิดขึ้นเราก็ขยับทันทีอย่างเงี้ยเราไม่ทันมีสติเราเผลอเราขาดสติเราเป็นไปตามความคุ้นชินเราเลยกำหนดทุกลักษณะไม่ได้ลักษณะที่กำลังเกิดกับกายกับใจอ๋อมีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเราเลยลืมกำหนดลืมรับรู้มัน อย่างที่สามอนิจจาอนัตลนตลักษณะความเป็นอนัตตาเนี่ยถูกบังโดยการที่เราตั้งท่าตั้งใจ บ, งบังคับมากเกินไปใจทําผิดหน้าที่จากการเรียนรู้เราพยายามสร้างพยายามนวลเนียกายที่มันดีๆ เ, เราบังคับกายเกินไปบังคับการเคลื่อนไหวเกินไปการเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติ ใจไม่ปล่อยให้มันสบายๆตามธรรมชาติเราถึงใจตัวเองไว้มากเกินไปจะบังความเป็นอนัตตาบังความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นปรับดีๆขยับให้เป็นธรรมชาตินั่งให้เป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาติสังเกตอาการความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นเราทํามาสองสาวันแล้วความว่วงเกิดขึ้นขยับกายนิดๆปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นผ่านไวๆขึ้นอย่างที่2เป็นยัน เขาเรียกว่ายานดับพังคานุปันสธนาคือยานดับใจความคิดอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้มันดับปล่อยผ่านไปบ่อยปล่อยผ่านไปบ่อยแล้วมันจะดับหายไปไปบ่อยพัฒนาการของลำดับอารมณ์ในแบบลองพิจิตรลองรู้สึกตัวใหม่ๆวันแรกๆรู้สึกตัวส่วนการสัมผัสอาการกายอาการกาเห็นความคิดรู้สึกหรคิดเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยเข้าพอไปตื่นออกบ่อยเข้านีความคิดอารมณ์ ความง่วมที่เกิดขึ้นเราเห็นไวขึ้นแล้วปล่อยผ่านปล่อยผ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะดับผ่านไปผ่านไปจิตไม่จมอยู่กับอารมณ์รู้สึกตัวเริ่มทั่วพร้อมเริ่มมีสติสัมปชัญญะเริ่มเป็นความรู้สึกตัวตัวที่สองสัมปชัญญะกาลีได้มากขึ้นเราจะเริ่มมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นพัฒนาการเป็นอย่างเดียวกันค่อยๆขยับนะ